ร้ 1> 1. นับขึ้นบรรทัดที่3พูดถึงโพชฌงเจ็ดภูณะจับปรังภิกขเวภิกขูนิกษุทั้งหลายอย่างอื่นยังมีอยู่อีกธรมเมสุธรรมานุปสิวิหะราติมิสุเป็นภู มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายสาธุโพชังเคสุนคือองค์แห่งการรู้แจ้งเจ็ดอย่างกาทันจาพิกเวพิคุลพิกสุทั้งหลายพิกสุในศาสนาณิปธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหรารติ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายสาตุสุโพชฌงคส์สวนคือองค์แห่งการรู้แจ้งเฉดอย่างนั้นเป็นอย่างไรเรายิทาภิกขเวภิกขุภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนเสนี สารตังวาอาชะตังสติสัมโพชังคังยอมรู้แจ้งชานสิงององแห่งการรู้แจ้งคือความระลึกได้อาธิเมอาชจตังสติสัมโพจังโคติปัญชะาณติ การมีอยู่ภายในตนก็ตามว่าองค์แห่งการรู้แจ้งคือความระลึกได้ในภายในของเรามีอยู่อาจสันตังว่าอาจจะตั้งสติสัมโธชังขังรู้แจ้งชาดซง่งเอาแห่งหการรู้แจ้ง คือความระลึกได้นาที่ไม่อาจตั้งสติสัมโปชังโคติปชานาตีอันไม่มีอยู่ภายในตนก็ตามว่าองค์แห่งการรู้แจ้งคือความระลึกได้ในภายในของเราไม่มีอยู่ ยาตาจาอนุปนันสาสติสัมโพชังคัสอุปธโทโหติและการบังเกิดขึ้นซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้งคือความประหลึกได้ที่ยังไม่บังเกิดขึ้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร ตัณจ้าปชานาติเธอรู้แจ้งชาซึ่งการบังเกิดขึ้นนั้นด้วยยะธาจ้าอุปนัสาสติสัมโพชังคัสสะภาวนาปาริปูริโหติน การเจริญบริบูรณ์ซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้งคือความระลึกได้ที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไรทันจ้าปัญชาณาเตียงเธอรู้แจ้งชาติซึ่งการเจริญบริบูรณ์นั้นด้วยสันตังว่ า, าจะตั้งธรรมวิจัยาสัมโัชังคันจา ยอมรู้แจ้งชาซึ่งองแห่งการรู้แจ้งสัมโปชังขันจาคือความเฟ้นธรรมด้วยวิริยาสัมโปชังขันจาองค์แห่งการรู้แจ้งคือความเพียรด้วยปีติสัมโปชังขันจาองค์แห่งการรู้แจ้งคือความบิ่มใจด้วย ปสติสัมพชังขันใจองค์แห่งการรู้แจ้งคือความสงบใจด้วยสมาธิสัมปชังขันใจองค์แห่งการรู้แจ้งคือความตั้งมั่นของจิตด้วย รูเบคาสัมโพชังคัญจาองค์แห่งการรู้แจ้งคือความมีจิตเป็นกลางเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วย อ, อาจทิเมอาจชัต่างอันมีอยู่ภายในตนก็ตามว่า ธรรมวิจัยสัมโพธิจงโคนองค์แห่งการรู้แจง้งคือความเพียรด้วยวิริยสัมโพชิจงโคนองค์แห่งการรู้แจง้งคือความเพียรด้วยวิติสัมโพธิจงโคนองค์แห่งการรู้แจง้งคือความอิ่มใจด้วย ปัสทติสมบทจังโคนองแห่งการรู้แจ้งคือความสงบใจด้วยสมาธิสมบทจังโคนองแห่งการรู้แจ้งคือความตั้งมั่นของจิต ด, ด้วย ทูเบคาัมโภตังโคติปชาณาติองค์แห่งการรู้แจ้งคือความมีจิตเป็นกลางพอรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยในภายในของเรามีอยู่ อาสันตังวาจาตังธรรมวิจยาสัมพุทธังคันจามรู้แจ้งชาติสิงห์องแห่งการรู้แจ้งคือการเป็นธรรมด้วยวิริยะสัมพุทธังกันจามองค์แห่งการรู้แจ้งคือความเพียรด้วยปิติสัมพุทธังคันจามองค์แห่งการรู้แจ้งคือความอิ่มใจด้วย ปัสสติสัมโพชังคันจาองค์แห่งการรู้แจ้งคือความสงบใจด้วยสมาธิสมัมโพชังคันจาองค์แห่งการรู้แจ้งคือความตั้งมั่นของจิตด้วยอุเบกขาสัมโพชังคันจาองค์แห่งการรู้แจ้งคือความมีจิตเป็นกลาง พอรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยนาทิเมื่อ จ, จะตังกังนไม่มีอยู่ภายในตนกต็ต่ว่าธรรมวิจยาสัมปชัญโคนองค์แห่งการรู้แจ้งคือการฟิ้นธรรมด้วยวิริยสัมปชัญโคนองค์แห่งการรู้แจ้งคือความเพียรด้วย วิติสัมโปชังโคนองค์แห่งการรู้แจ้งคือความอิ่มใจด้วยปัสสตีสัมปชังโคนองค์แห่งการรู้แจ้งคือความสงบใจด้วยสมาธีสัมโปชังโคนองค์แห่ง การรู้แจ้งคือความตั้งมั่นของจิตด้วยอุเบกขาสัมโพธังโคติปัชานาติมองค์แห่งการรู้แจ้งคือความมีจิตเป็นกลางเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยในภายในของเราไม่มีอยู่ญาตาจ่าอุป น, นัสสธรรมวิจยาสัมโพธังคัสจาร และการบางังเกิดขึ้นซึ่ ง, งองแห่งการรู้แจง<ม>้งคือความเฟ้นธรรมด้วย เวริยสัมโพชังคัสจาองค์แห่งการรู้แจ้งคือความเพียรด้วยเปรติสัมโพชังคัสจามองค์แห่งการรู้แจ้งคือความอิ่มใจด้วยปัสติสัมโพชังคัสจามองค์แห่งการรู้แจ้งคือความสงบใจด้วย สมาทิสัมโพชังคัสจาองค์แห่งการรู้แจ้งคือความตั้งมั่นของจิตด้วย ภูเบคาสัมโพชังคาสจาอุปาทาโอติองแห่งการรู้แจ้งคือความมีจิตเป็นกลางเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริง้วยที่ยังไม่บังเกิดขึ้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร ทันจะประชานนเธอรู้แจ้งชัดซึ่งการมันเกิดขึ้นนั้นด้วยยาทาจะอุปนิสัธรรมวิจัยยสำสมโพชังคาสจาจการจเจริญบริบูรณ์ซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้งคือความเฟ้นธรรมด้วย วิริยะสัมโพชังคัสจามองค์แห่งการรู้แจ้งคือความเพียรด้วยวิติสัมโพชังคัสจามองค์แห่งการรู้แจ้งคือความอิ่มใจด้วยบาสติสัมโพชังคัสจามองค์แห่งการรู้แจ้งคือความสงบใจด้วย สมาธิสัมโพชฌงคสัจจางค์แห่งการรู้แจ้งคือความตั้งมั่นของจิตด้วยผูุ้เบกขาสัมโพชฌังคสัจุปาัทโหททีมองค์แห่งการรู้แจ้งคือความมีจิตเป็นกลางเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมมีไร้ด้วยอาการอย่างไร ทัาจะปัญชาติินเธอรู้แจ้งชาสิ่งการบังเกิดขึ้นนั้นด้วยยีติอาชาตังวาธรเมสุธรรมานุปสิวิหารตีด้วยอาการอย่างนี้ที่บิกสุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อันเป็นภายในบางปัจจิาวาธรเมสุธรรมานุปัสสิวิหรตีในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอกบางอาจชัดต่เพิ่งปัจจิาวาธรรมสุธรรมานุปัสสิวิหรารตีในธรรมทั้งหลายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบาง สมุทัยธรรมานุปัสสีวาธรรมสุวิหารติและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเนธรรมนั้นเป็นเหตุเกิดขึ้นในธรรมบางวยธรรมานุปัสสีวาธรรมสุวิหารติ เห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบางสมุทยวายธรรมานุปสีวาธมสุวิหรติเห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในธรรมบางอธิธรรมาติวะปนาสสติปัจจุบันติดาโหติ ก็แหละสติคือความระลึกว่าทามีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้ยาวาเทวาญาณมะตายาณเพียงเพื่อรู้ปธิสติมะตายาณเพียงเพื่ออาศัยระลึก อานิสิโตจจวิหารติมที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิ่ที่อาศัยไม่ได้น่าจะกินจีโรเกอุปาติยติเธอไม่ยึดมันอะไรอะไรในโลกนี้เอวัมปิโคปิกะเวติคูตัมเมสุตัมมานุปัสสิวิหรติม ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายสัตสุโพชังเคสุนคือองค์แห่งการลูกทุกแกงเจ็ดอย่างอยู่เอาพอแล้วเวลาที่เหลือเราก็ปรับความเพียรร่วมกัน